เดี๋ยกลอนนิดนึงให้อารมณ์มันเป็นอารมณ์ของปัจจุบันในวันนี้ให้มากความเป็นกอปฏิบัติแล้วก็ลองใช้รูปแบบที่เขาลําลือกันว่าตั้งแต่ครูบาอาจารย์เป็นต้นมานะเราทําแบบนี้ล้าจะไม่ทุกข์คือจะเห็นทุกข์แล้วก็มันจะออกมาจากทุกข์ได้จริงเนีเพราะทุกข์ที่เกิดจากความคิดแต่นะเรากลับมารู้สึกตัวเคลื่อนไหว จะนั่งจะเดินจะในรูปแบบนอกรูปแบบเราฝึกหัดกันทั้งวันอารมณ์เต็มเกิดขึ้นมาส่วนใหญ่คือง่วงง่วงนั่งแล้าเจ็บปวดเมื่อยปวดเมื่อยปวดตัวเนี่ยหรือว่าบางทีมันก็เบือ่อหลงติณก็คิดมากนี่นะในฐานะที่หลวงตะกมลมหลวงปอกลมหลวงปู่กลมจะเรียกอะไรก็เถอะท่านก็เคยฝึกมาแล้วก็ ท่านกระพูดว่าเออมันมันแทบอยากจะฆ่าตัวตายทีเดียวนะเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยอะไรมันจะทุกข์ขนาดนั้นอย่างเง้นนะแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งมันโอ้มันเข้าใจขึ้นมามันน่าสนใจนะขนาดเราแต่งเครื่องแบบนักรบกันแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาพอสมควรพอมาปฏิบัติมันก็เหมือนกับงมเข็มในมหาสมุทรนะ นี่ก็ทำอะไรกันเรามาฝึกมหาหัดดูก็เริ่มเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นดังนะ น, นั้นเดี๋ยววันนี้ลองให้หลวงพ่อกรมได้นะปูทธรรมมาเป็นสภาวะธรรมที่เป็นเรื่องของเราเรื่องของท่านเรื่องท่า น, นกับเรื่องเราด้วยนะอันยันนี้ น, นนะกราบอารัตนานิมมนหลวงตารมทั้งท่านเคยฝึกกับหลวงพเทียนันไหมเคยฝึกกับหลวงพ่อจรัญ เคยฝึกการจรรนนี้หมายถึง จ, จรัจน์จตุรัสนะเนี่ยจรรยวัดป่าคลริกโกแล้วก็อาจารย์มหาดิเลกอาจารย์ของท่านแล้วก็หลวงพ่อมเกียนในพยะมเที่หนึ่งพระองยนก็ไว้ใจก่อนวันจานย์หลงพอกรมในพุทธมาตรมส ม, มควแก่ทรแก่เวลาครับ ขบัขบคันละว่าพระเมตใจครูพพุทธรรมพระพธธรรมประตรงธรรมธิการครูบาอาจารย์พร้อมฉันพุทธีเขารลของพวกเรา ขอขอบาระอาจารย์ทุกๆท่านแต่ละท่านน้องพ่อน้องพี่พระเถรานุเถระแล้วก็อย่าเลินเมคีอุบาตุอิบาสตอร์ถูกกาทุกๆท่านนั่งตามสบาย วันนี้โอกาสไม่ดีเลยเหนื่อยเหนื่อย<ๆ>เหนื่อยแท้ๆอาจารย์ไม่พูดก็จะพูดไปซ้ำเรื่องตำราเนะี่ยฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ฟังตั้งอกตั้งใจทำพวกเราหลงมานานแล้วแหละตั้งแต่เกิดมาเนี่ยหลงมาน้องพ่อนี่เป็นคนฝึกนะ แท้หาคนเปรียบไม่มีแล้วก็ไม่เคยว่าจะมาเข้ามาวัดมาบวชมาอะไรอยู่อย่างนี้หรอกอยู่ในป่าในดงตามไรตามนาไปตามธรรมดาก็ทำงานมากมันก็จากตายแล้วเป็นลมเป็นอะไรอยู่คนเดียวบางวันก็เป็นลมล่มอยู่ รู้สึกขึ้นรู้ถึกขึ้นแล้วก็รู้ถึกว่ามันมันเว็นบ่ายแล้วตั้งแต่เช้าเช่าพอประมาณจกสี่โมงเนี่ยไม่รู้ร่มในอย่างใดแล้วก็มากลับมานอนเล่นอยู่คิดว่าโอา้เรานี่ถ้าตายแล้วก็ตายคนเดียวเนาะเนี่ยไม่เห็นใครคนไปจะไปเจอเลย มากองบ้านมาหลายครั้งเขาก็เลยมาขอโยมแม่ยอ ม, ม, มผู้หญิงว่าบอกว่าจะขอบวชพรรษาหนึ่งจะให้บวชไมหมพ่อได้ไปพักอเขาก็ไม่ว่าอะไรเขาก็ว่าให้ตามใจอามเต็หมดทุกอย่างเลยอืลูกเต้าก็เหมือนกันอยากจะให้พ่อมาบวชในยานพวกลัวพ่อตายก่อนเขาก็ ว่าที่ไปที่แรกยังยังไม่บวชหรอกพอปีที่สองมันนี่ก็ไปน้องพ่อเจ้าคุณอยู่ที่พระเกิงท่านก็เปิดอบรมเปิดรวรมก็ได้ยินข่าวก็ขอไปสมัครคนหนึ่งไปแล้วก็ไปบวชกับพวก ที่ไปด้วยกันนะกับหลวงพ่อพี่คนบ้านเดียวกันระสอ ง, งนนะ่ะผมจะไปบวช น, นัหละพ่อผมทีไปบวชได้เนี่ยมาใครไปบวชใครก้อนใครนอแนวท่านเขาเปนว่ า, วาเป็นก็ว่านงพอน่อหยุดไบวชว่าผมเป็ว่าไปบวชเราเพิ่น น, น, น, นั่นกรเพิ่นว่าไปบวชขึ้นกันพอเพราะว่าจะบวชนี่เขาท่านก็ไม่บวช ด, ด้วยหลวงพ่อบวชคนเดียว ไปก็ยุ่ทุกอยากเต็มทีนะเ น, นีไปบวชไปยิงค่อยไปพอมาบวชนี้ก็ก็บอกไว่าว่าโยมผู้หญิงเขาเอาเงินให้3 0มรอยบาทลูกก็ให้คนละห้าที่บาทก็มีคนละร0อยบาทก็มี มารวมเล้วเป็นเงินไม่ไ ม, ไม่มากอะไรก็ว่าดี่ไปก็ไปถึงวัดฟาเกรงก็ไปเข้าไปหาอาจารย์ประมาณนี่แหละสี่โมงเย็นนี่แหละสี่โมงห้าห้าโมงนี่ยหละไ ป, ไปเห็นไปท่านเห็นท่านอยู่ที่นั่นก็ไปขอปวด ท่านถามมาจะบวชกี่วันน้องพ่อลองบวชดูไปกูน้องพ่ อ, อดดน้องพ่ อ, อ, พอบางทีถ้ามันแต่ปัญหาหนึ่งต้องได้แหละครับแต่ว่าต่อไปอีกถ้าคิดอยากบวชก็อยากบวชก็บวชต่ออีกคงจะได้บอกว่าอย่างนี้เราก็ท่านก็รับรับเอาอตอนตีสี่ ให้ลุกขึ้นมานะท่านบอกว่างนั่นพอตีสี่ลุกขึ้นมาก็ท่านก็แต่งไปมอบตัวใ ห, ให้ท่านเลยใ ห, ให้เอาเงินไว้ท่าน3า0รอยบาทตั้งแต่ก่อนไมื่อก่อของเนี่ยก็ไม่แพงท่านก็รับเอาอพอทำเมรวัดเสร็จแล้วก็ท่านก็เลย ให้ไปแฉไปไปแทงหัวแทงหัวแล้วก็มาปว ด, ปวดพอดีบวดพอได้เก้าวันท่านเข้าออปริวัติกรรมนับด้วยแล้วก็พอถึงเก้าวันกว่าเลยพวกพี่น้องเขาก็ไปบ้านหมด น้องพ่ออยู่ที่ที่นั่นแหละที่วัดน้องพ่อนะก็ไปออกถึงสองสามวันมาก็ไปเอไปสุทีที่นนอํเภอนงบาดังนะ่ะก็ไปแล้วก็พอทำบรตรสุทีเสเร็จแล้วก็หยุดพักอยู่จงึงไปอยู่ที่้านวัดเห็นรถมา สามตีขันไอ้รถมาจากไหนหน้อเนี่ยมาฟอมาถึงหน้าทียมประตูเอาที่ที่พักก็ก็มีคนลงมาแล้ววะเนี้ยมาก็มาเห็นดูกสาวลงมาอ่าคนนั้นลงมาแล้วคนนี้ก็ลงมาลงมาไม่ใช่มาวาดีนะมาหรอมาร้องให้ <c oughs> เห็นพ่อบวชเลยเดาได้ไงบวชดับพ่อมาบวชแล้วก็อยากร้องให้แล้วน้องฟอกอดไม่ได้ มันยังไม่รู้อะไรแน่เห็นลูกร้องไห้น้องเขาก็ร้องไห้เหมือนกันมันนี้ก็พอร้องทั้งายคนทั้งแล้วกว็ฟ้าที่ไปด้วยกันก็ท่านก็ไม่ต้องร้องไห้หลวงพ่ อ, พอจุดิ้าท่านก็ได้หยุด หยุดพอหยุดแล้วก็เขาว่าจะมารับไปบ้านก็เลยไม่ไปด้วยเขาบอกเอาพอทาไปสุธีเสร็จแล้วก็บอกให้เขากลับก่อนอีก 2-3 มวันจะไปที่หลังบอกว่างนั้น ไ, <c oughs> ไป บ, บอกก็เจ้าฟู อ, อาจารย์ก็ไม่ให้โยวัดแต่งให้ไปวัดทัพภูอยู่ที่จังหวัดจังหวัดบางกินบุรีที่ทา่านไปทางบวถด้วยนะน่นนะพร ะ, พระอุปชาเจ้าคนนั่นน่ะก็ไปอยู่ที่นั่นเดือนหนึ่งพอทังเดือนมาแขนก็ปวดมากเลยจนบาด อบบะแขนทางทางขวาเนี่ยมันจนรีบเลยอะทางทางกลัวโอ้หลวงพ่อมันมันรีบเลยลนลนน เ, เนี่ยมันยมันลอยลงเนี่ยันบอกว่ากลับไปบ้านถ้าพวกพาไปด้วยกันคนหมู่เดียวกันเขาท่านบอกท่านก็บอกก็มาส่งให้หลวงพ่อขึ้นรถมาบ้านมาบ้านคื อ, คอมาก็ไปหา น้องพ่อเจ้าคุณน้องพ่ออยู่ที่อำเภอเจียวตลวล า, าอลองเจ้าคณะอ่อนลองเจ้าคณะอำเภอท่านก็อยู่กับท่านท่านก็แต่งให้ไปอยู่ที่วังตะเคอีกล่ะวังดะเคเห็นน้องพ่อลองไปคนก็ไปด้วยกันพระไปด้วยกันหลายหาหกองแล้วก็พอไปถึงโน่นก็ มีคนไปหาอีกฝึกพระด้วยกันนะบอมเล่าก็เป็นเก้าองค์อยู่ที่นั่นจำโยสะพันษาแล้วก็ปฏิบัติทําน้องเนี่ยอยู่กับท่านโยตที่นั่นนะวัดพาะกันปฏิบัติอย่นั่นแหละแต่รรษานี่ยก็จะมาบ้านแล้วเนี่ยลูกเต้าก็พาขันอ่อนรถไปรับว่าหลวงพ่อจะมาสึก พอมาไปถึงบ้านแล้วก็ดับมาบ้านแ้ว บ, บ้านก็ไว้วัดเนี่ยะวัดเจ้ารองเจ้าคุณด้าเพลนอ่ะพอไปลาท่านนี่บอกว่าถ้าจะถึกแล้วก็ให้ไปเข้าไปในวัฏฏกรรมก่อนรูปบาปลูกกรรมสักหน่อยอย่าค่อยถึกน้องพ่อ ก, ก็ไปไปก็ไปเข้ากรรมเท่นี่ไปไปเห็นน้องพ่อ คำเขียนเรานี่แหละไปกับหลวงพ่อจอยพ่อผมทํำนะแล้วกับมหาเดลิกกับเตาเวงกิ น, นหลวงพ่อเตาเวงกินว่างคนนะไปก็ไปเห็นท่านมาอบรมมาพามาทําวัดทําวัดนี่ก็ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังทําวัดมีทําวัดแปรหมด อ, อบวชตั้งแต่ก่อนบวชวันซาหนึ่ง เป็นพระตั้งแต่เป็นหนุ่มอยู่นู่นนะก็ไม่เคยได้ยินนะไม่รู้จักอะไรอะไรเลยพอไปบวชไปแปรเขาก็ตั้งนโมอ่านว่านโมเนี่ยแหละโอ้ก็ได้เข้าใจเข้าใจโอ้หนโมเนี่ยตั้งแต่กวัญเราไม่รู้จักความหมายเลยไม่รู้ว่าอแปลว่ายังไง บวชเป็นพระตั้งแวดเป็นแนรม่่า บ, บวชเหมือนกันก็ไปสอบทักทีน้ำตีก็ได้นักธรรตีแต่ไม่รู้จะว่าอ น, น้ำบงนี่ยแปลว่าอะไรไม่รู้จักพอต่อว่าเมื่อทำวัดไปก็มีแต่แปลและแบบ น, นี่ยแปลแล้วก็โอ้ไรไรน้าตาไหลเไยไม่รู้จักตั้งแต่ก่อนไม่ไม่รู้จักภาษา พอฝัดตรวจแมเนี่ยมันรู้จักหลายวันต่อหลายวันเขาก็ค่อยๆ เ, เข้าใจแล้วก็มาพึดปฏิบัติแต่แม่ปฏิบัติตยวเทีนก็ยังไม่รู้อะไรหรอกพอเห็นน้พอพ่อน้องพ่อเขียนนั่นนี่แหละขึ้นเทศเออฝาองไหนองค์ไหนเทศนเนี่ยกว่าู้บยเทีดีไล อ, อมี นดำมีนักลอกนักอะไรก็ไม่ไม่เหมือนที่พระเทศเลยอยากฟังแต่พระเทศเอพู้โราไม่รู้ว่าท่านรู้จักยังไงที่เราเป็นอะไรเป็นอะไรไมาหนะท่านพูดไปพูดไปเนี่ยนึกว่าท่านด่าท่านว่าว่าเราแต่ที่จริงแล้วท่านสอนไปตามตามนั่นแหละตามนิสัยติตามของของคนเราเนี่ยแหละ ตามคนธรรมดาของเราเนี่ยไม่รู้จักท่านก็ว่าไปว่าไปสอนไปเราทั่วเราทำอะไรทำอะไเนี่ยไปรู้จักท่านไปไม่ไม่รู้จักแต่เมื่อไรแต่ความยิงไม่ใช่หรอกคือมันเป็นอย่างนั้นเองผมเรื่องเรื่องธรรมะเนี่ยคือว่าวเรื่องของคนแล้วก็มันไปถูกเราเ้าก็คิดอยากคิดอยากได้อยากไปปฏิบัติพอท่านเทศน์ลงก็ ไปเอากระดาษดินสอไปให้ท่านไ ป, ไปไปไปแล้วก็ขอมาอได้หลวงพ่อเอายื่นให้ท่านผมจะมาขอให้หลวงพ่อจดอันที่เทศเมื่อเท่าเนี่ยให้ผมด่อยผมจกเทศให้พวกโยมฟังโอ้เทศมาได้เราหลวงพอ่อเอไม่รู้ว่เทศเรื่องอะไรมู่เช่าเนี่ยไม่รู้จักหรอกอท่านทำไมงเทศได้ยังไงนะโอ้มันรู้จักเองว่างนั่ะ โอ๊ยพวกผมนี่มันไม่ได้แบบนั้นเด้อครับไม่เคยไม่เคยได้ไม่เคยมันจะพูดให้คนฟังมันไม่ได้หรอกเพราะว่าผมไม่เคยเป็นคนปลึกหาปลึกปลึกแท้ๆว่าท่านก็ได้ได้เอเห็นท่านเทศไว้อีกคิดอยากจะลองทดลองแล้ววะเนี่ยทําไงจะได้นาะธรรมะเนี่ยคิดเห็นเป็นแน่นน้อยอ่ะ ไปพูดขึ้นมาครูบาอาจารย์สอนนักทำตีเนี่ยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันหมดแล้วพาาระอรหันในมันไม่มีแล้วมันหมดยุคโบรสมัยแล้วตั้งแต่พอสอตอนนั้นตอนนี้มันก็ลืมได้ไม่หรือว่าพอสอตอ น, น, นท่านพูดให้ฟังหมดตั้งไปแต่สิ้นเดือนสิ้นนั่นแหะแต่พอสอตอนนันตอนนี้มันไม่มีแล้ว่าพระอรหันเนี่ยบัดว่าเห็นหน้องพ่อเนี่ยท่านก็พูดให้ฟัง พูดในฟังอ๋อพระอรหันหยังมีอยู่นะเดี๋ยวนี้อะท่านพูดวางนั้นเอะถ้ามีไม่เห็นมีเหาะไม่เห็นเหาเดินเออเห่นเดินอากาศให้เห็นนะพอพู้นําดําดิ่งก็ไม่เห็นมีอตั้งแต่ก่อ น, นว่าพระอรหันย์นี่มันเหาเหินเดินอากาศเลยนะไม่ใช่ท่านบางนี่บอกว่าพระอรหันย์ก็เป็นอะ ค, คนธรรมดาคนธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่า ความโลภความโกรธความหลงความโลภะโวสะ โ, โ, โ, โ, โมหะอะไรก็ไม่มีกิเลสตัดกิเลสตา้คายกิเลสออกทำรอกกิเลสดุจคือหันหลังให้กิเลสน่ะ น, นะท่านพูดใน้ฟังแล้วก็คิดอยากคืดเด็กลองทดลองดูก็ไปหาจิดอยากจะไปเหมือนกันแต่ว่าไม่ยักไม่ไปจะไปไปหัดอยู่ที่ไหนตำนักที่ไปฝึกหัดก็เลยไปพบพอ ออกจากทำวัดแล้วก็มาคุยกันคุยกันโอ้หนิท่านหลวงพ่อาจารันนะ์น่ะมาจากบัตนตะนามในนะ่ะท่านอยากไปก็ไปขอไปกับท่านก็ได้ก็ลงไปขอดูว่างเงิไปขอดยท่านไม่ใหาไปหรอกโอ้ยคนอย่างเจ้าเนี่ยพึ่งจไปไม่ได้หรอกไม่ใช่เป็นอย่างนี้นะ อยู่ที่นั่นน่ะไปปฏิบัติอยู่ที่นู้นน่ะได้หัดบททุกอย่างเลยเดินก็ได้หัดกินก็ได้หัดพูดก็ได้หัดเอี <Yeah. S 1> ่ยเปกบุหรี่ก็ไม่ให้สูบผมหยุดตั้งผมหยุดตั้งแต่ผมเป็นโยมโน่นครับมวหรีเนี่ยเล้วผมก็หยุดตั้งแต่เป็นโยมอน่ย <Yeah. S 1> เพราะว่าผมผมได้ตังหวัดผมเป็นนักเรลงอันเนี้แหละนักเลงทุกอย่างเลยผมก็เลยหยุดหมด แล้วผมก็ไม่กินยาผมก็ไม่ถูกไปที่ไหนผมก็ไม่ไปผมเดี๋ยววันนี้ผมคิดอยากจะบวชติกจิกอดพได้ไหมล่ะถ้าไปอะตั้งแต่หลวงพอ่อยังอัดได้อย่างไรอะท่นว่าผมกับคุณเลิกกันกับหลวงพออ่อด้วยท่นเอาขั้นจะวางกับไปที่ ส, าสนาม่านก็ไปแหละไปปฏิบัต โอ้ปฏิบัตินี่มันไม่ในเขตขององอ่ายมาที่แรกนี่ไปปฏิบัติที่แรกเนี่ยไม่รู้จักอะไรเลยมีแต่ว่าไม่ไม่เหมือนดอกอย่างนี้ดอ ก, ด อ, ก, ด อ, กอย่างครูบาอาจารย์ตอนั่นเนี่ยเข้าใจท่านอธิบายอะไรให้หมดเลยอันนี้ทั้งประเทศให้ฟังเหมือนกันแต่ว่าให้ดูดูให้ดูรูป ด, ด, ดูนามให้ดูรูปดูนามเนอะวางงั้นนะให้รู้สึกเอรู้สึกนี่ก็ รูปนั่นคือกายของเรานามนั่นคือใจอยคนไม่รู้จักกายไม่รู้จักกใจก็บ้าเท่าไหล่ว่าไงเดี๋ยวว่าไปในใจนะบ่เนี่คือก็นึกอยู่ในใจว่าตัวเอียงรูปหลาลๆรูปรูปนานนะรูปในใจนํามน่นคือกายว่ารูปน่นคือกายนําน่นคือใจบ่เนี้ก็ทําไปเดินโยกมุมนั่นไงบ้าให้แต่รู้สึกรู้สึกรู้สึกนี่ก็ อันก็รูเูเฉยๆจะเดินมันไปเฉยๆจะเดินไปธรมธรมดาธรด า, ด า, ดาเดินเล่นไปเฉยๆจะไม่รู้จักเอให้ลู่นะลู่ศึกให้ลู่ศึกให้ลู่ตั ว, วท่อพ่อมตัวตัวท่อพ่อมก็ยกมือท่านก็บอกให้ยกมือยกมือนี่ไม่ได้หัดยากดอกเอไปจาําำอมจำโมฝดนเห็นท่านยกมือให้เห็นสร้างเครื่อหมายหเห็นก็ ดูดูมามาทำอย่างนอกกักวกายกลัวอายแล้วไม่อยากทำเพราะยกมือเพราะว่าไม่เคยทำม้วก็ไม่เห็นคนได้มายกมือแบบนี้เลยคิดว่าตั้งแต่เรานั่งตรงกลมแค่ดับตาแล้วก็ดูความรู้สึกยกนอพเพาะนอเนี่ยมันก็ยังไม่ได้รับธรรมะ อันนี้นั่งนั่งอยู่แท้ๆว่านั่งไหว ย, ยกมือไปเอามือมาเนี่ยมันจะเป็นสมาธิได้ยงไงฮิตอยู่ในใจก็อายไม่ค่อยไม่ค่อยได้ทําไม่ค่อยทําหรอกแต่ว่ามาเดินนอกนี่เดินอยู่ตอนไม่ยกมือเนี่ยก็ไปเข้าในกุฎ น, น้อยติเบตอันตุดถูก ต, ด, ตดกรรมอะ่ะก็ไปอยู่ที่นั่น ก็ไปยกไม่ยกมือเล่นอยนั้นแหละยกได้ยกยกเป็นอยู่พอมาทำทั้งนอกนี่ก็หมู่ทําไปก็ทําไปได้เลยแต่ว่าแต่ตัวรู้เนี่ยยกเป็นเฉยนะไม่รู้จักอันรู้เนี่ยว่าอะไรมันรู้ยังไงบไม่รู้จักตัวรู้ถ้าไปถามท่านไปถามนี่ก็เป็นยังไงหลวงพ่อเนอ่ วันนี้เป็นยังไงโอ้เป็นโอ้คิดหลายลงฟอยคิดไปถึงเร่ให้เล่ถึงนาถึงเห็นไฟนั่นแหละไปบางทีก็ไปยมใส่ยมอะไรอยู่อยู่ที่เท่าหละเอาปลาอยู่ที่นั่นละ่ะก็จะรู้จักว่าตัวเองคิดไม่ก็เห็นคนไปทำเนี่ยมันจะมึงมันจะค่อยหยุด วางเงินพูดในฝังแล้วก็ท่านก็บอกไปให้มาดูการเคลื่อนไหวนะการเคลื่อนไหวให้ใจรับรู้ไปด้วยเอย่าหยับดินเดยเดหยับหยับหยับดินรู้สึกไหมรู้สึกครับเออนั่นแหละให้หยับไปนั้นละเดินไปกลับไปกลับมาเอให้รู้จักพอทําไปไงทําไปทําไปก็พอ ความง่วงเงาเข้านอนก็วันแฉ่ววันหลายวันเข้ามาหลายวันเข้ามาก็มันก็มีแต่ความง่วงความง่วงเงาเข้านอนตาละพัดตั้งแต่มันจะเป็นความเจ็บความปวดความเหนื่อยความล้าความหิวตาละพัดมันจะเป็นไปเป็นไปแล้วก็เป็นกับมันไปตะพึ้ตะพือไปไม่เข้าใจเขาแพร่มาถามว่านี่อะไรมาดูขาก็ว่าขา ทำทำทำท่านไปจับแขนก็ก็ว่าแขนเออให้เห็นทำไปทำไปเรื่อยเรื่อไปนะไม่เห็นว่าอะไรก็อยู่งั้นแหละไปงั้นแหละไปตามชะตากรรมไม่ค่อยมรู้จักอะไรหรอกวันนี้พอนานๆเข้ามาเนี่ยก็มันมันไม่ไม่ได้ได้พักอะไรแหละความง่วเงานอหนนี่มันเกิดขึ้นมาเนี่ย อทางเดินกรมนก็ทําดีดีไม่ให้มีหลุมมีบ่ออัเอาจอบมาได้หญ้าได้อะยังตอกหลักมะตออะไรก็ทําเรียบร้อยหมดเลยเอพอมั่งว่งเอาเข้ามาก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเตน่าเซหลังเรูบริมตะคุกตะคันห่วงเหงาห้องนอนก็พริกนอนไม่ได้ เอางั้นละครูบายอาจารย์ท่านก็มานั่งเอยืนอยู่ใกล้ๆท่านก็เดินอยู่เลยฝึกฝ่ภ า, ภาพิเลียงท่านก็มาทําให้เห็นทําให้ดูทําไปทํามาก็บางทีก็เห็นรูึกบางทีก็ไม่รู้สึกอันตัวรู้สึกตัวน่ะเหยาบดินอยู่แต่แท้เมื่ก็ไม่รู้สึกเดินไปก็เดินไปเฉยๆไม่เข้าใจ อยู่อย่างนี้เว้ยตั้งหลายตั้งนานหลวงพ่อได้พรรษามาหนึ่งมาแล้วยังไม่ได้อะไรเลยลูปนามันก็ไม่รู้จั ก, กไม่รู้จักอะไรลเลยเอี่อย่างไงคิดอยากศึกมาเนี่ยอยากศึกก็หลวงปู่ท่านให้ไปนวดขาให้ นวดขาไอ้แล้วก็ฟูดได้ฟังก็ฟูดได้ก็ไม่เข้าใจหรอกท่านพวกค่อยๆทำไปเถอะไปนวดตั้งแต่สามโมงสามโมงเย็นสามทุ่มไม่ค่อยได้เกาออกออกหนีท่านทุกวันทุกวันไปอยู่นั่นนะจนท่านบอกว่า ผมไม่ได้ไม่รู้จากอะไรดอกหลวงพอ่อผมทิราผมจะลาออกไปทางนอ ก, อกไปหาอยู่ทากับทหนออยู่ทางนอกเนาะครับมันไม่เหนื่อยไม่ไม่ลากเหมือนเราที่มาเดินแบบนี้มาเดินแบบนี้โอ้ยผมว่าได้พักเลย อ, อดเอามันเป็นอย่างนี้แหละต้องอดทนมันทานพูด อค่อยมีมณะนะถือเนี่ยถือตัวมันไม่ดีหรอกอยา่าอย่าไปอย่าไปเป็นแบบนั้นต้องอดทนาาาเนี่ยให้กล้าหานเนี่ยเก็บกีดใจต้องเข้มแข็งก็อเอาไปเอามาแล้วกันบ้าจังแต่คนอื่นเขาก็ยังไม่ตายมันจะมาตายกับแต่เราคนมันตายเอาบุกเบินเนี่ยบ่เนี่ยบุกบินไปเอาไปเอามาเอาไว้เอามาเจะบิ่งเปี้ยวมันว่างน้อนก็วิ่งเปี้ยวเลย เ อ, อพอเห็นหมู่เขาทําก็อดไม่ได้คนเล็กๆน้อยๆเขาก็รู้จักหมดรูปนามเขาก็รู้จั ก, จกไอตัวเนี่ยมันทํา ไ, ไม่ไม่รู้จารูปน้ําอยากจะ่ลูกหลายวันนี้ก็ท่านบอกว่าบอกไม่ต้องไปเอาอะไรนะให้ดูความรู้สึกดูกายเคลื่อนไหวเฉยๆลูกก็บลูกให้ลูกเฉยอย่าไปเอาอะไร มันเจ็บมันปวดมันเหนื่อยมันล่ะมันหิวมันธรรมดามันอดทนเอาพระยามาน่ะอยู่ที่ไหนพรยามันก็อยู่เป่าเนี่แหละอันไหนเกิดก็ให้เรียนท่านก็บอกไปแต่ค่อยดูค่อยพิจารณาไปค่อยพิจารณาไปเออมันนี่เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาไปออืมันไหนไ่ไปเหนื่อยไ ป, ไไปคิดถึงไล่ถึงนาถึงลูกถึงเต้าถึง บ้านเรียนมันก็ไปไปเห็นนั่นเห็นนี่ไปคิดใจมันก็ไม่ค่อยอยู่กับตัวเองพอมาเบิ้งมาดูกายเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวประเดี๋ยวมันมันก้าไปอีกพอมาถึงกายเนี่ยเฝ้ารู้จักจ ก, 9, 9, 9, 2, 3, 9, ก้ามันก้าวไปสองสามก้าวเพื่อกัดให้ต่หลงไปเรื่อยเรื่อยไปห่วยไม่ไหวแล้วแบรนเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็ด่าแล้วบ้นเนี่ย ด่าไมา่อยากไปไปใกล้เลยโอ้ยหมู่เขาก็ปฏิบัติไปเฟืดอเตอฟือเจ้าขอเจ้าของอดัด เ, เอาเอาแต่ตายเป็นละมันตายก็มันตายโสตา ย, าตายบัดนี้กูไม่พามันนอนกูไม่พามันไปที่ไหนกูที่เอานี่ยแหละเดินมันอยู่เนี่ยเดินอยู่ห่วงเงาเขานอ น, อนคิดก็คิดมากเก็บแครงเก็บขาหนักเนื่อนหนั ก, น ก, นกตัวโอ้ย ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยทุกข์เหมือนเรามาเปิดฟิตปฏิบัติเลยโอ้ยคิดว่าอันนี้ตกเหมานรกแท้ๆทั้งดิบจะแท่ทว่ะเธอเจอมจะขมคุงคนเดียวอันนี้มู่เดียวกันก็เหมือนกันนั่นก็มีคนมือมีมีท้องสามคนอยู่ด้วยกันนะประมาณคนที่ไปดูดยู่ด้วยกันนะ่ะพวกพระที่ไปอยู่ด้วยกันนะั่นประมาณจากยี่สิบคน อยู่ที่วัฒนธรรมในก็พวกที่เข้าใจนั้นก็มีน้อยๆแต่พวกไว้เข้าใจนั่นก็หลายแต่ฟ้าเรียกพระน้อยที่คนพระหนุ่มนั่นแหะเขาเข า, เขาเข้าใจเร็วกว่าพวกคนแก่คนแก่คนนี้โอ้สอนอยากอแ่แท้วันนี้เอาไปเอามาเอาไปเอามามันโสดตายมาพอๆนี่ก็เดินได้แล้ววะเนี่ย ไม่ไม่ไม่ย่อท่อเลยล่ะมันนอนเอาไปเอามาก็มันคิดมากกว่าฟามันคิดไปคิดเพลิดเพลินไปเออหลวงพ่อคมมันนี่คือได้คือจะได้อารมณ์ดีน้ว <c oughs> อวางกได้อารมณ์ดีแล้วคิดตัวเขว่ า, วาไปอยู่ในความคิดตัวมันอยู่ในความคิดไม่ออกนี้ไม่ได้เลยท่านบอกเดี๋ยวดไปอยู่กับความคิดนี่มาอยู่กับตัวรู้ถึงเนี้ยก้าวขารู้ไหม ดูเรื่องไหมนะั่น่ะมาอยู่นี่อมันไป อ, อยู่กับควคิดมันก็เป็นงั้นเนี่ยก็นั่นหละพอมันออกไปแล้วก็มาดึงเข้ามาเออถ้ามันคิดไปอันใดใดดีก็อยากจะไปอยู่กับแต่งถิ่งนั่นแล้วมัอนเนี่ยอ่าทำไงดี็ออยงนั่นแหล ะ, ะ, ะ, ะ, ออหละถึงรวมตะคุบตะคาร เวลาง่วงนอนในไล่ะเอาไปเอามาเอาไปเอามามันดานเข้านานเข้าได้สิบเอ็ดสิบสองเดือนน้อยแล้วตั้งแต่ไปนั่นนะ่ะมารวมแล้วนะึ่ปีห้าเดือนมามาได้นั่นนะ่ะมามาม า, มาเข้าใจธรรมะมาเข้าใจธรรมะบัานี้มาอยู่กับหลวงพ่อจรัน พรออาจารย์พามาเยี่ยมบ้านทิมบ้านก็ไปอยู่ที่กับพระครูบ้านนั่นแล้วลืมแล้วแหละบ้านห้วยไปอยู่กับหลวงพ่อเจรนันหลวงพ่อเจรันก็มาถอนให้ถอ น, นเนืองลูบเลี้ยงน้ำให้ท่านก็พาไปจีบอารมณ์ที่นั่นที่นี่ก็ไป ไปอย่างนั้นแหละเสื้อเส้อช่วยวยไปอย่างนั้นนี่ยไม่ไม่อะไรหรอกคือท่านพาไปไหนก็ไปไปแล้ววันนี้ก็ไปเห็นความคิดบันเนี่ยไปเห็นความคิดโอ้ความคิดนี่มันทุกข์ความคิดที่มันเป็นมันมันคุกข์ท่มนความคิดอยู่แล้วนะก็ไปเห็นความคิดก็มาดูไกลเคลื่อนไหวมาดูไกลเคลื่อนไหวก็ก็มา มาเห็นพอพอเห็นนี่พอมันไว้เข้านี่มันก็ไปอีกพอเข้ามามันก็เข้าไปเอกเขาดึงไปเราดึงมาเขาดึงไปเราดึงมาอย่างนั้นอ่ะมันก็เป็นอยู่นั่นเอาไปเอามาเอาไปเอามาก็มาอยู่ความคิดมานำนับด่ว่าเนี่ยขัวไส้ขวาสาัขวไสา้พอขวัวตกเพื่อนก็ขัว ใช่ตอกเพื่นก็ใส่ขัวใช่หัวใส่ใสพร้อมกันเอาไปเอามาเอาไปเอามาเอาไปเอามาความคิดค่อยห่างออกห่างออกห่างออกห่างออกเนี่ยมามามาเห็นนี่แล้วก็เดินมามาทําทดลองเนี่ยมันไม่ใช่นะเป็นร้ายมื่อดูเป็นเดือนนั่นแหละเพีงแตมามามาดูแบบนั้นนะ่ะ เพราะว่ามันมันออกจากตัวนั้นมาแล้วมันคิดคิดมากดีตุบเลยคิดเรื่องนั้นนี้เรื่อ ง, องนั่นเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างเรื่องอดีตตั้งแต่ข้างเป็นเด็กน้อยมาเมื่อก็คิดออกมาคิดอที่เราทําอะไรไว้เมันเกิดขึ้นมาคิดที่เราลืมมาแล้วเมื่อก่อนมาคิดเรื่องนั้นมาคิดไาเรื่องนี้เพคิดเพลิดเพลินไปก็มันก็มีบางทีก็ทุกข์ก็มีจนลองให้ก็มี ทุกขนาดนั่นแหละตั้งแต่ก่อนวันนี้ก็มานับเนี่ยแหละพอนับนี่มันก็ห่างออกห่างออกพอมาคิดปับดป๊บมาเห็นคิดปั๊บมาเห็นเห็นแล้วมันก็มาอยู่ตัวรู้สึกกับตัวรู้สึกได้แล้วบัดเนี้ยจั บ, ต, กกบ ต, ต, ตัวรู้สึกก็พอไคิดปั๊บมันก็มาจับตัวรู้สึกเนี่ยพอมันเผลอเผลอไปนิดนึงมันก็เอาเรื่องอื่นมาให้คิด เอาเร่องดีๆมาทำไมไมํำมาให้นั่นเปนอดีตที่เคยสนุกสนานมาแล้วแหละมันมาขี้โยติดต่อไปกับมันอีกกว่าจะไม่เห็นกกนี่ก็ตั้งนานจะค่อยเข้าเห็นเข้าใจเห็นอีกทามาแล้วก็ถ้า จ, จะออกกับความคิดอีกก็ต้องมาทําแบบเดียวแบบบัดแบบเก่าแบบเก่าคือมาขัวไส้ขัวไส้อีกเอาไปเอาไปอามาค่อยหา่หางออกห่างออกห่างออกก็ นานๆมันจะค่อยคิดมาพอคิดมาเนี่เห็นปั๊บบัดเนี่ยเห็นควมคิดปั๊บคิดพอคิดไปเห็นพอคิดปั๊บเห็นปั๊บคิดปั๊บเห็นปั๊บตั้งแต่ก่อนมันติดไปเดือนนี้มันมันขาดออกไปแล้วเนี่ขาดออกไปพอคิดมาเราก็ไม่ไม่สวนแนี่ยบอลเนี่ยมันไม่สวนมาสวนกายเคลื่อนไว้พอมันออกไปแล้วมายกมือพอออกไปก็ยกมือ มาอยู่ตะลุ่น่ะพอมาคิดดูมาดูดีๆแล้วโอความคิดตัวนี้มันมันมาหลอกเรานี่ยยุดแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยมันตัวนี้มันพาทุกถ้าเราไม่รู้จะเข้าใจเนี่ยมันก็จะพาเราเป็นบ้าอย่างนี้ตลอดไปเอาเ ต, ต็มเต่มจะพาไปไหนมันพาไปยินไปเล่นไปขี้ไปป่นตั้งแต่ก่อนมันก็เคยไปตัวนี้มันพาไป ไปไม่ใช่แล้วก็พยายามมาดูตัวเองไปรูปน้ำยังไม่รู้นะน่ะยังไม่รู้เลยพอมาต่อมาหลวงพ่อเจัินเนี่ยให้เก็บอรณนน์อยู่ติสองวันมาติสองวันแล้วก็ จะว่าจอนจะออกเลยล่ะจนจะออกจะได้เจ็บออกอารมณ์แล้ววันที่วันที่สิบสองสิบสองจะได้ออกคือท่านให้เจ็บสิบสองวันอ่ะได้1ิบวันแล้วที่เป็นก็ยังไม่รู้อะไรเลยเห็นแต่ความคิดเห็นแต่แดงนานานั่วก็เกิดขึ้นมาให้เห็นมันมันมั น, ม น, มนห่างออกไปฟอนี้ก็เกิด วัดไอจักไม่ว่าเป็นอะไรไอก็ไอหนักก็หนักหมว้วไม่รู้อะไรปวดหม้อตะลือสาละพันต่งจะมันจะเป็นไปแหละหนักแข้ง น, นักขาก็ทาําไปทํามาทําไปทํามากลับไปกับมาเนี่ะคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้เห็นเห็นพอเดี๋ยวคิดคิดมก็ขาดออกไปอ่ต่อไปมาคิดออก ขาดออกไปคิดปั๊บขาดปั๊บคิดปั๊บขาดปั๊บค่อยเลี้ยงเข้าเลี้ยงเข้าหนักแล้วบ่เนี่ยหนักเนื่อหนักตัวเกิดจิกไข้จะจะหนาวจะไข้จะอะไรปวดเจ็บปวดหมดเลยหมดไปเลยบ้านี้ก็เดินก็ไม่อยากว่าเจ็บเบือนมันมันมัวไปหมดมัวมัวมัวก็ปวดหัวก็ปวด ว่าแต่นี้แหละหนีไปดีกว่านะเราจะมาอยู่ทําไมมันดีได้หรือธรรมะมันเป็นอย่างเนี้ยโอ้แต่ว่าเชื่มแข็งับเนี่ยเอาให้มันตายไปดูมันจะเป็นยังไงก็เป็นเอามันเดินได้หรบุกเลยเอาไปเอามามันไม่รู้มันเป็นยงไงเดินไปเดินมาล่มตะคุปตะคันไปตะพุตตะฟือไปเกิดถุนกับมัน ก็สุนเน็ตไม่รู้จะทำอไงเจ็บต้องเข้มแข็งไม่ต้องอะไรนั่นแหละมันจะตายมันตายโอ้คิดเห็นตัวเองเป็นแบบนี้เนาะมันมันช่วยกว่าอะไรทั้งหลายเลยมันมันบาปมันแทบบาปกรรมเนี่ยพอเอาไปเอามาเอาไปเอามาล่มไปล่มมาเจ้น่าใสหลังอพอหลับตดียเดียวก็ลมต่ำลงเออนั ก, น, กนักเนื่อนักตัวเนี่ย เนีจักว่ามันเป็นอะไรอ่ะมีคล้ายๆกับมีอะไรมาแขนคอเราอยู่เนี่ยหนักแต่ลืมแะลือเนี่ยพอเนี่ยับเพอ น, นิดเดียวท่านตึง้งเนี่ยจักไม่รู้อะไรเอี่ย น, น, น, นึกว่ามันเอนึ่นึกว่ามันเสียงอะไรเสียงอะไรมันเป็นดังมันเป็นแบบนั่นอ่ะเอี่ยนึกว่าพวกก็อยู่ล่อที่ที่บนติบโยกเยื่อรมอัน เรียกว่าพวกหมูจะจะเห็นจะรู้จักไปถามใครเขาก็ไม่รู้จักเปิดเขามาหาเนี่ยไป็ว่าอะไรดังอยู่ที่เนี่ยต้มเลยคล้ายๆกับมันหลุดออกจากตัวคอของเราเนี่ยแล้วก็เลยเบาไปเบาจะเดิดขึ้นมาเลยวันนี้ก็เดินไปเดินมาก็เห็นไม่เนี่ยเห็นเห็นตลาดันท้าวลา เออเอาไปมาเราไม่ไม่นึกไม่เห็นว่าไม่ว่าจะเข้าใจหรอกอันนี้มันเป็นอันมันเป็นรูปรอดเน่ยว่าก็ไปเห็นอันนั่นแหละเห็นเสาสลาเนี่ยนะมันอยู่อยู่ข้างหน้าก็เห็นว่า น, นี่มันนี่เขาเอื่นมันรวบแล้วเนี่ยวันนี้ก็คิดไปคิดมาอีกเอไปเห็นไปเห็นน้ำมาเนี้ยเห็นน้านี่ก็ มันรู้จากเองมันไม่ได้เข้าใจหรอกไม่เข้าใจอะไรหรอกพอพอเห็นรูปนี่ก็เอาไปมาโอ้ตัวรูปซึกนี่เหมือนพักเกลื่อนไว้นี่มันก็เป็นน้ําเหมือนกันนัวเนี่ยตัวนี้นวดตัวน้าอ่ะก็ได้เข้าใจรูปน้าพอมันเป็นแบบนั้นมันเบาเมื่อเบาตัวมันโอ้ทงองอัดมันไม่กลัวอะไรเลยอันไรก็รูปวันเนี้ยโอ้รูปน้ําเนี่ยมันเป็นตีแบบนี้เนี่ยรูปน่ะ ตัวเห็นตั้มเจหนึ่งตัวรูปเป็นตัวหนึ่งโอ้ตัวเห็นเนี่ยตัวรู้นี่ไม่มีรูไม่มีตัวไม่มีตนเนี่ยเนี่ยตัวเห็นเนี่ยตัวเห็นนี่เห็นเจตาจับถูกด้วยมืออันนี้มันเป็นนั้นแหละมาคิดด้วยมันมองตัวเองเอ้ามาดูกายตัวเองโอ้รูปเราอยู่นี่รูปเราเนี่ยอันนั้นไม่อันนั้นทางนอกอันนี้ทางในเนี่ยก็มาเห็นนั่นแหละมาเห็นรูปมาเห็นน้าเนี่ยม่นเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยเห็นรูปเห็นน้า เดินไปเดี๋ยวไปแต่ตั้งแต่มันเป็นรูปเป็นนาเห็นรูปเสียงจินรถโพธิภะเป็นรูปเป็นนามทั้งหมดเลยบัดเนี้ยเดินไปที่ไหนก็เห็นรูปเป็นน้ําเป็นไปหมดโอ้ตัวเห็นตัวหนึ่งตัวอู้ตัวหนึ่งวุ้ยตัวตัวเห็นเป็นรูปตัวรูปรูปเป็นนาตัวเห็นเป็นรูปตัวรูปเป็นนาโอ้ดีอกดีใจภูมบวกภูมิใจแล้วบัดเนี้ยก็เห็นอันนั้นเห็นนี้ไปค่อยเข้าใจเข้าใจเข้าใจไป นี่เนี่ยพอเป็นอย่างนั้ น, น เ, ววเนี่ยก็ขยันแล้ววะเนี่ยคืนคิดว่าตัวเองเข้าใจธรรมะอะดีอ ก, กใจใจภาคปูบกภาคภูมิมใจความง่วงเหงาเหานอนอันะลึมทะลือไม่มีเลยค่อยๆกับมันเอไม่มีอะไ ร, ม, ะไ ม, ม, ะไรมันเบาเบาไปดุบๆทั้งเนี่ยทั้งตัวเลยอยากจะให้คนนั้นมาถามอยากให้คนนี้มาถามอเรื่องเรื่องเนี่ย คงตอบได้แน่นอนเดี๋ยวก็ไม่มีคนมาถามหรอกแต่ว่ามันดีเออคิดว่าเราเข้าใจแล้วก็มันโอ้ถงองค์อาดมันไม่เกียงใครเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยมันกว้างขวางมากไม่บีบม้วงควงมัวหอนนอนมันหนีไปหมดเลยเนี่ยมันไม่ใช่เห็นเฉยๆมันไม่ได้ไปรู้ แบบที่อย่างที่เราไปนึกเอาเราไม่อยากอันเวลามันเกิดมันเกิดมาจะเห็นเนี่ยมันไม่รู้อะไรหรอกมันเป็นไปแบบตะลืมตะลื้อซารพัทมีแต่ความทุกข์อยู่จนนักจนนี้ตายเลยนึกว่าจะนี้น่ะไม่ไม่ว่าจะอยู่ได้หรอกถ้ามันเป็นอยู่นั่นนะแต่ความบกบืนของตัวเราท่านอะไม่คิดว่าเราไม่คิดว่าอย่างได้ เวลามันเกิดอยู่นั่นนะ่ะไม่นึกบ่ไม่เหมเลยนั่นแหละแต่นั้นแต่นั้นมาก็ห่อถึงถึงถึงนั่นแหละตอนเช้ามาก็ท่านก็ให้ออกจากเอ่อจากจา ก, จากการ ป, รปฏิบัติไฟจะไปบ้านบ้านของหนี้ที่บ้านน้องพอน้องพอ่อถวงวนอนหยู่ที่นั่นนะ่ะเดี๋ยวเนี้ยนั่นแหละไปได้ได้ไปเปิดอบรมเท่านั่นแหละ ก็ไปให้ธรรมะยืนยันไปเทศอยู่เท่านั้นแหละนั่นะขึ้นธรรมะอยู่ที่นั่นใ น, น, น, น, น, นวัดบ้านนั่นเลยพอเขาจัากนี่กับครูบา็ขาอยากอยากให้เต่งจะไปพูดธรรมะมาเนี่ยเนี่ยไปอารมณ์ของที่เราเป็นมาเนี่ยมันไปแก้คนอื่นได้คนอื่นเป็นที่เป็นอย่างจากที่อย่างที่ผมของพ่อเป็นอนะ่ะไปเขาว่าเป็นไงเขาพูดฟังรเราจะไปแก้ให้เขาทำงานทํำงานทำงาน เขาก็หายไปเขาก็หายไปครูบาอาจารย์อาจารย์ผัดเดเร็กเด็กก็ไปไหนก็ต้องออกไปด้วยเอไปก็เพราะเห็นพวกพระมาจากไหนจากไหนก็ให้หลวงพ่อเนี่นะไปแจ้อารมณ์ให้เขาเด็กก็พระใหม่ใหม่มามใหม่ๆก็ให้หลวงพ่อเนี่ยไปบอกไปสอนเขาได้หลยมันเป็นอยู่างนั้นแหละไปไปที่ไหนที่ไหนไม่ได้อยู่ดีได้บ่เนี่ย ไปบอกสอนคนนั้นคนนี้ไปหลวงพ่อก็ทั้งทั้งไปสอนคนอื่นบ้างทั้งปฏิบัติของเจ้าของไปด้วยนั่นแหละทั้งผิดทั้งถูกนะบางทีก็ผิดบางทีก็ถูกแต่ว่าไม่จนใครเนี่ยเป็นวิปัตนูนั่นแหละแต่ไม่รู้จักเจ้ า, จาของเป็นวิปัตนูแล้วก็ไปที่วัดนามในหลวงพ่อจันทร์นั้นพาไปอีกไปก็ เวลากลับมาบ้านมายามบ้านมาแล้วก็ขึ้นรถมาคนเดียวบาก็มาเทศให้พวกบ้านเออพวกขึ้นรถมาด้วยกันนะพวกเจ้าของรถก็เขาเจะเอาเงินให้เขาก็ไม่เอาพวกโยมเราแต่ใเขาก็ให้เงินบ้างให้อาหารกันฉันพระมาด้วยกันก็สอนเขา ไม่รู้จักเจ้าของเป็นบ้านะยมไม่ไอายเป็นหรอกแต่ว่าพอรู้จักว่าตัวเองหายแล้วไม่อยากไปขึ้นรถไปทา ง, ทางสารนั่นดอกอายคนพระบ้าอของนั้นกลับเบช่งขึ้นรถแร่แต่เขาก็เจ้ว่าเลยนี่มันเป็นอย่างนั้นค่อยๆไปค่อยๆมาพวกเราด่าไปเอาอะไรอะไรเกิดก็ อย่าไปอย่าไปอยากได้ผมหลวงพ่อนั้นมันอยากได้ไปมีแต่ความอยากอย่างเดียวแล้วมันไม่ได้อะไรกาเป็นปฏิบัติเนี่ยให้เรามาดูกลกับใจของเราออย่าอย่าขี้เกียจที่ข้านอย่าอย่าขี้เกียจที่ขันยกไม่ยกมือเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยไม่ได้ดูหนังเสียหนังสืออะไรเลยจะไปดูหนังสือเนี่ยหลวงพ่อท่านจบท่านบอกว่าไม่ต้องไปดูบอกให้เอาลงเอาคืนมาไหวเลยเพราะว่า มันจะเอาไปนึกไปคิดเอามันจะมันจะไม่แกล้งหูกับเอากับจิตกับใจของเราท่านก็ไม่ให้ดูให้มาดูเนี่ยการขั้นไหวเนี่ยมาเดินโยกลมเนี่เอาเท่านี้หละไม่ต้องเอาอะไรหรอกมันก็เกิดขึ้นเองหรอกไม่มีอะไรจะมาไม่มีใครจะมาบอกเราสอนเราพอครูบาอาจารย์ท่านบอกก็ท่านก็บอกทางให้ไปเท่านั้นแหละส่วนทิงทิ้งที่ เราจะรู้นะะั่นแหะเราต้องรู้คนของตัวเองคนเดียวอะไรผิดก็ท่านก็มาบอกให้ทําำงั้นให้ทําอย่างงี้นะเอออย่าไปทํานั้นถ้ามันไปเป็นอยู่นั้นก็นี่ยมาอยู่กับตัวรู้ตึกกัรนคลื่นไหวเรานี่ยใช้เคลื่อนไหวโดวยวิธีใดก็ให้รับรู้การเคลื่อนไหวโดวยวิธีใดก็รับรู้อย่างนี้อ่ะบันนี้พอเรา ปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยพอเห็นความคิดตัวละตัวมเดี๋ยวนี้มันเห็นไววันมือเมื่อเดียวก็เห็นแล้วคนนั่นเนี่ยสอนเข้าใจง่ายตลวงพ่อท่านไม่ให้สอนนะไม่ให้สอนไม่ให้บอกทัวล้วแต่ใครจะหาแด้นะั่นรูปกับ น, นาเนี่ยเอารูปนั้นรูปนั้นคือกายนามนั้นคือใจหาหเห็นท่านบอกเท่า น, นี้แล้วก็ทัแล้วแต่ใครจะมา ทำยังไงวันเนี้ก็เฮ็ดทําไปดับตามเรื่องอหละเนี่ ย, ยพอมันเข้ามาเข้าใจนี่ก็โอ้มาเข้าใจชัดเข้าใช่เข้ า, ขานี่คือมาดูการเคลื่อนไหวเราเนละยเรานี่แหละมาถามตัวเองว่าเอามือไว้ทั้งหลังอ่มันก็ถามตัวเองเป็นเอาไว้ข้างหน้าก็ถามตัวเองเป็นเวลากําเหยียดกําเหยียดอยู่ข้างหลังเนี่ยก็เห็นเนี่ยมันถามตัวเอง โอ้โออมันไม่รู้จักความรู้สึกเนี่ยมันไม่ชัดมันไม่ชัดไม่แจ้งดีก็ลราก็เอามือมั่วไปทางหลังก็ถามตัวเองอะเดี๋ยวนี่มืออยู่ที่ไหนอยู่ข้างหลังเเวลากรรมเวลากรมถามตัวเองอะครมือกรรมเห็นไหมเนี่ยรู้ไหมเห็นแต่ ว, ว่าตาไม่เห็นหรอกแต่ว่าตาในมันเห็น ม, ม, มันมันมันดองกรรมกรรมเนียกรรมหรือเหยียดกรรมเนี่ยมันก็เห็นอยู่เนี่ยโอ้โหครูวาจาจย์ท่านก็สอนเคยสอนตาทิพตาทิพไม่ใช่อื่นไกลหรอกตาทิพคือเราไปเห็นชีวิตจิตใจของเราเอ ง, เองนี่แหละกายเคลื่อนไหวเราก็รู้จักมัน เคลื like Pe er mm ่อนกายเคลื่อนคนหนึ่งเคลื่อนไหวคนหนึงรู้เอีคนเคลื่อนตัวหนึ่งเนี่ยคนรู้ตัวหนึ่งแต่ว่าต้องเอากายนี่แหละเป็นเครื่องมือของเราแต่เป็นทุนรวมอยู่ที่นี่อ่เป็นถ้าบ้านเที่เรียนเราก็เป็นเป็นบ้านเป็นเรียนของเขาเน่ยเป็นมีคือมีแปรเหมือนกันเนี่ยกับกับเราทำบ้านทําเรียนนี่แหละ เราก็ค่อยเข้าใจาเจ้าของเขาคือใครเจ้าของเขาก็คือใจของเราเน่ะเป็นเป็นเจ้าของบ้านเขาเวลาไปคิดมันออกบ้านไปแล้วไปเที่ยวแล้วไปท่องเที่ยวไปแล้วเราไปเห็นเข้าใจเข้าใจไอ้นี่ยพี่แรกอะเข้าใจพอมันเข้ามาแล้วก็เรายกมือขึ้นนี่คือมาเรียกมันขึ้นมาบ้านบ้านเราอยู่พี่ดเด้อ กลับมากลับมาทางนี้ทางนี้เนี่ยมายกมือขึ้นเ ข, ข้ามาแล้วพอเรารู้เท่านั้นแหละโอ้ตัวคิดนี่แล้วตัวตัวคิดเนี่ยมันออกไปอ่ะมันเป็นความคิดก็ตัวรู้เนี่ยแหละมันอยู่กับเราเนี่เป็นความรู้เนี่ยมันออกไปเป็นความคิดแล้วมันหลงแล้วเนี่ยออกนอกออกกายไปแล้วมันออกจากบ้านมันไปแล้วมันเป็นความคิดไปแล้วนะ ถ้ามาอยู่บ้านเนี่ก็มามาอยู่กับตัวรู้สึกนี้ก็เป็นที่พึ่งแล้วเนี่ยเป็นที่พึ่งของเราเนี่ยให้มาอยู่กับตัวนี้อย่าออกจากตัวนี้เนี่ยกายเคลื่อนไหวใจรับรู้กายเคลื่อนไหวใจวรับรู้รู้เนี่ยคนหนึ่งเป็นคนเคลื่อนไหวคนหนึ่งเป็นคนรู้อย่างเนี้ยแต่ว่าถ้าเรามาผมดูเฉยๆอย่างจริงๆจังๆเข้าไปแล้วนะ น, น่ะ กายของเราเนี่ยกับใจเนี่ยมันมันอยู่ด้วยกันมานานแล้วแล้วมันอยู่ด้วยกันมันก็ไม่ค่อยถูกกันนะไม่ค่อยมีความตะวกคีกันคนหนึ่งเอาความทุกข์มาให้เอพอออกจากไปออกจากเราไปมันออกจากกายไปมันก็ไปเป็นความคิดไปเรื่อยเรื่อ ย, อยไปจบเรื่องนั้นไม่กว่าไปเอาต่อเรื่องนั้นไปเรื่อยเรืยไปจบเรื่องนั้นก็เอาต่อเรื่องนั้นไป ทั้งดีทั้งทั่วทั้งตกทั้งทุกเอี ừ, พอเราเห็นเราต้องเลี่ยมกลับเข้ามามาดูตัวรู้สึกพอยกมือเนี่ยรู้แนละ้วมันเข้ามาแล้วเนี่ยตัวรู้เข้ามาอยู่กับตัวเราเนี่ยเข้ามาตัวนี้เราก็ค่อยทําไปเวลาเนี่ยเวลามันเกิดมาเนี่ยมันทําแรงๆเราก็ไปทําค่อยยกมือน่ะยกมือขึ้นะให้มันเห็นดีๆเห็นชัดๆมีอยู่สิบสี่จังหวะ มันเป็นลูกโซ่ติดต่อกันเป็นลูกโซ่ลูกโซ่ไปเนี่ยยกขึ้นเนี่ยมือพลิกขึ้นมาเนี่ยให้รู้ยกขึ้นเนี่ยใรู้เอาลงมาวัตเตอรเดอรเนี่ยก็รู้เคลื่อนขึ้นมาโอนก็รู้รู้เมื่อิบสี่รู้รู้แล้หยุดรู้ ล, ล, ล, ละหยุดรู้แล้หยุดเป็นเปาะเป็นเปาะเป็นเปาะไปอยู่ที่ที่เปาะให้มันเห็น แต่ว่าอย่าไปจ้องมันมันจะดีมันจะชั่วก็ช่างมันให้เราเห็นไปบังคับบัญชามันไม่ได้หรอกแต่ว่าให้เรามีมีรู้สึกอ่าพอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราเพียงเพศดูเฉยเรายาเป็นผู้เป็นแต่ก่อนเราเคยเป็นผู้เป็นมันดีก็ดีกับมันมันชั่วก็ชั่วกับมันมันจากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็ไปกับมันหมด เอาแต่มันจะพาไปบัด น, นี้เรารู้จักแล้วเราไม่เอาแล้วเนี่ยมีแต่ดูเกิดเมื่อไหรเป็นทุกข์เมื่อ น, นั้นเกิดเมื่อไหรเป็นทุกข์เมื่อนั้นมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์ทุกข์ต่อไปมันก็เป็นอยู่กับร่างกายกับกายกับใจของเราในตอนนั้นแหละมันทุกข์อันดีมันก็ไม่นิไม่แน่นอนอันชั่วมันก็ไม่แน่นอนเป็นของที่เปลี่ยนแปลงมันจะค่อยๆเข้าใจตัวเอง แล้วมันคว่ำค ว, ว่ำม้วงเองาเหา้อง น, น, นอนเกิดขึ้นมาอย่างนี้อเพราะว่าเราออกจากตัวไปแล้วมันก็ไปอยู่กับตัวคิดนั่นแหละก็อารมณ์นั่นแหละที่มันเกิดขึ้นมาให้เราทํางแรงเออขเขายาวกายขาเขายาวใจให้มันตื่นให้มันรู้เนี่ยเวลายกมือเนี่ยเราอย่ายกค่อยเวลาอยากนอนอ่ะยกขึ้นตังสูงทำตังถุง ให้มันอย่ามาทำน้อยๆอยู่นี้ยกขึ้นสูงตื่นตื่นกายตื่นกายตื่นใจให้มันเชื่อมแข็งต้องขยันขันแข็งจิตใจของเราอ่อนมาได้เป็นอะไรก็ตามมันติดตายก็แต่ให้มันตายธรรมะเนี่ยมัไม่ใช่ของมันจะเป็นขึ้นมาง่ายๆของที่มันจะเป็นเนี่ยมันต้องเอาเรานี่จะไม่ไหวกับมันเลยแหละ ถ้าคนใจที่น้อยๆอ ย, อยู่มันจะไม่มันจะไม่เอาเลยมันจะหยุดเลยเหมือนเราคือจะตายคือจะตายอยู่เนี่ยเราอย่าไปกลัวความตายเอออะไรเกิดขึ้นมาไม่ต้องกลัวอวดทนจนจนจนชนะมันถ้าเราไม่ชนะมันมันก็มาเหยียบเราอยู่นั้นแหละมันไม่หนีไปไหนหรอก ก็อะไรมันพาเป็นน่ะก็ตัวกิเลตน่ะมันเอาชนะเรามันเป็นนายเรามาตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่เราเกิดมาเรื่อยๆมาไม่ค่อยสะสมเข้าสะสมเข้าจนกลายเป็นความบุคลินทําไรทําอะไรก็เป็นกับมันทั้งหมดบัดนี้เราจะไม่เป็นมันจะเป็นมันจะมาเป็นเป็นชี้่าเราแนเนี้ยเรามัต้องไปเป็นอันให้มันเป็นนายอีกต่อไป เราก็ไม่เชื่อมันอีกมันจะดีขนาดไหนก็ตาม ม, มันแปลงรูปนั่นแปลงรูปนี่มาให้เราเห็นเราก็รู้แล้วเรารู้จักแล้วเราก็ไม่ต้องเป็นบันเนี่ยให้เรารู้จกักพอมันเข้าใจแล้วนั่นน่ะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นให้เราเห็นมีแต่สิ่งที่ดีๆทั้งนั้นแหละให้เราจิต ใ, ใจของเราเนี่ยก็สบายมีที่พึ่งมีที่อาศัย เความปลอดผงโลงสบายเมื่อก่อนมีอยู่เกิดกับเรานั่นแล้วอันนั้นเกิดขึ้นมาเราก็เห็นเสิ่งดีเกิดขึ้นมาเราก็เห็นสิ่งที่ไม่ดีเกิดมาเราก็เห็นเห็นแล้วก็แลี้วไปเห็นแล้วก็แลี้วไปเนี่ยให้เห็นรูปเช็นนามนะเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปทำน้ํามทำเนี่ยให้เห็นรูปโลกนําโลกคําสอนของหลวงปู่ท่านสอนดีดี แต่เราไม่เข้าใจเนีย่ยเห็นอาการเกิดทิ่งที่มาเกิดขึ้นมาในกายของเราเนี่ยมันหลายอย่างะให้เราให้เราเข้าใจคอยอย่าไปเอาอย่าไปเอาอะไรไม่มีสิ่งที่จะเอาดี่มาเรามาเ ป, ป, ป, ปิดเปิปบัตรเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะมันมาสอนเราทั้งหมดเลยเรวเราจะไป น้อยอกน้อยใจไปท่อแทะไม่ได้อันเนี้ยต้องเข้มแข็งเกิดก็ให้มันเกิดขึ้นมามันจะตายก็มันตายไปเนี่ยเคยปวดเคยเจ็บเคยตายเนี่ยหลวงพ่อเคยตายเหมือนกันนะตั้งแต่หลวงพ่อมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยลองนอนดูเจ้าของเองเนี่ยมันจะตายน่ะมันเจ็บมันปวดหายใจไม่อิ่มไม่อะไรล่ะลูกโอ้ยที่แขนร่างกายของเราเนี่ยมันเหงื่อออกบาดน้ำ ออกมาจนเปียกหมดเลยเนี่ยมันเข้ามาคือถ้ามันมันจะตายชุดหนึ่งคือหลวงพ่อจะทาไว้ อ, อยู่ด้วยดหนวงพ่อจะทาว่าตายแล้วแหละตอนนี้เต็นตะข้างหลวงพ่ออยู่ที่บ้านนุนม่วงอ่ยคือมีไว้อันหนึ่งไม่ไม่ลวกนี่แหละหลวงพ่อไปทําขึ้นมาไม่มีมามาตีเป็นตีตีลูทททเท่ากับออ สองสองอันออกมาคล้ายๆกับเราไม่ตีเข้านี่แหละไม่ตีเข้าเวลาเราตีเข้านะเอาทําไม่ไม่ขันหัวเข้านะคล้ายๆกันนั่นแหละถ้าก็มางัดตัวงัดท้องเนี่ยมันแน่นมันเจ็บมันปวดแบบนี้ก็หลวงพ่อเนี่ยทํามาแล้วก็มาหลวงพ่อจันทาก็มาหามาหาหลวงพ่อไม่อะไรเนี่ย กูไม่เนี่แล้วผมผมไม่ตายกันนี่แหละหลวงพ่อวะไหน้ออกมาดูซิเอาน่นะโอ้ดูท่านบอกมาทําก่อนมาทําก่อนแล้วก็โอ้ได้ของดีก็ไม่มาบอกกันน้อเนี่ยมาอักอักเกลเตาแท้ว่าท่านว่าบ่ได้อักล็อกมาตันอกอบ่บ่คอว่าหายแลยว่าวะวันนีท่านก็ มานวดหน่อยตัวเองโอ้ยมีแหงหลายอรรันตรวาณมีแหงหลายหลายแท้ๆจิตใจนะมันปลอดเนโปร่งมันโล่งมันสบายหมดเนี่ยหมตัวไรหลูกพอ่อตั้งแต่ก่อนมันไม่เป็นอย่างนี้หลังนั้นบัดนั้นก็ให้ท่านปล่อยให้ท่านทําหมดแล้วละหลวพ่อก็มาทํามา ท, ทําทีหลังพอหลวพ่อทํำมันก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละ มันปวดโป่งมันโล่งสบายในในหน้าในในอกในใจของเราเนี่ยอันสิ่งที่ปวดปว ด, ปดมันก็หายพอไปนอนตอนตีหนึ่งตีสองนี่แหละหลวงพ่อจันทาก็ห้องค้างขึ้นเลยเก็บปวดห้องมากที่สุดเลยจะตายแล้วเป็นหลวงพ่อเป็นแบบเนี้ยโอ้ยจะจะทำยังไงมีอะไรมาใส่ก็ ก็แล้วกินอะไรก็แล้วหลวงพ่อยันทาว่าบ่มันจะหายมันไม่หายวางนั้นนะหลวงพ่อก็บอกท่าน อ, อย่าไปล่องโรคนี้หลวงพ่อล่องมันได้แมมมันตายไหมมันมันหายไห ม, มเวลาลองเวลาบนอยู่นั่นน่ะถ้ามันไม่หายจะไปบ่ปบนมันทํำไม นอนฟังเกลงเค้ไม่ดีเลยบางนั่นแหละก็อาอลไรไม่ให้กินจนถึงมื้อเช้าเลยทางคนเลยไปโรงพยาบาลอืมโรงพยาบาลก็กลับมาวันต่อมาอีกกลางคืนมาเอาแล้วบันในหลวงพ่อมาขึ้นหลวงพ่อแล้วมาเจ็บมาปวดเลยวันเนี่ยเจ็บแบบไม่บอกไปถูกเลย โทเอาแล้วบ้านี่หลวงพ่อจะลันเอน อ, อ้หลทาเอาเราเองมันจะเอาเราอีกได้บ้านี้วะโอ้เก็บหลายแท้ๆโอ้ไม่ไม่ไม่เข้มแข็งเนี่ยหลวงพอ่อเออไม่แม่เอาแบบนั้นเนี่บ่แม่เอาหลวงพ่อแบบหลวงพ่อจันทาเอาให้มันตายถ้ามันตายมันตายแต่เจ้าของเองก็อยากตายเหมือนกันในระยะนั้นน่ะ มันยังไงก็ตามมันทุนทุกมากอยู่ที่ไหนประเดี๋ยวป่วยแบบนั้นแบบนี้ไปไม่รู้จะรักษาแบบไหนข้าวเขกินไม่ได้บ้า น, นี้ก็มันปวดขึ้นมาพวกมาว่าจะตายแหละเอามันหายใจไม่ได้มันตันหมหนด้วยเหนื่อยก็เหนื่อยหายใจก็หายใจไม่อิ่มอ๋อตายมันตายไม่บอกใครเลย เอาอยู่ที่นั่นอยู่คนเดียวอยู่กดไฟกดมันพระอยู่ที่นั่นก็หกเกตองก็ไม่พูดให้ใครฟังเอาไฟเอามาเอาไฟเอามามันจะตายก็ว่ามันจะตายแต่แท้มันขึ้นมาลอยหลายข้างอยู่เอตอตัวจะตายเน่ยแน่นหมดเลยหายใจไม่ออกเลยเอาตายมันตายพอใจจะขาดนี่มันก็ค่อย ดีขึ้นมาดิ้งขึ้นมาให้เราหายใจออกได้เออแต่มันหนักเข้าทุกทีนะปันนีต่ต่อคขั้งที่สองขั้งที่สามขั้งที่สี่ขั้งที่ห้าขั้นที่หกอยู่ทั้งหกขัง้งมันจะตายจริงโอ้มันที่ตายจริงนี่ถ้าเราเข้มแข็งแท้ๆนั่นแหละมันมันมีที่ไปอยู่กิตใจของเราเนี่ยมันมีที่หายใจอยู่ไม่ว่ามันจะขึ้ น, นมาอีกเนี่ย มันมีมันมันหายใจขึ้นมาค่อยดีขึ้นมาทีขึ้นมานิดๆหน่อยพอเราตั้งท่าได้ขึ้นอีกมันก็เกิดขึ้นโราน้องวีเอาไปมาตุดท่าตุดท้ายนี่มันเป็นมากที่ตุดเลยนึกว่าจะตายแท้ละตอนนี้คือว่าโอ้มันไม่ตายหรอกมันไม่กลัวหรอกหนีเทัพฝกเรามันมันคงจะคิดแบบนั้นแหะเพราะว่ามันค่อย เกียบจะตายเกียบใจจะขาดแล้วแหละมันจะเป็นเจ้าของดูด้วยมันดูนเป็นใจขาดมันเป็นไงแต่สติของเราก็ดีอยู่แต่ว่ามันเจ็บปวดมันไปปวดถึงที่ตายแทเอ่พอเราเที่ยมแข็งเราเป็นไงแล้วมันไม่ทอถอยมันก็เลยลดหย่นผ่อนพันให้เราหายใจค่อยเติมเข้าเติมเข้าพอมันถอยออกไปหายไปไม่ได้กลับขึ้นมาอีกเลยหยุดไปเฉย โอ้มันมาทดลองเราเนอะาเนวยเนี่ ย, เ, ยเราเราอยากไปย่อท่อการประพฤติปฏิบัติแบบนี้เลยมันลองเราตั้งหลายอย่างอยู่เนี่ยคิดว่ามันจะตายเนี่ยให้คล้ายๆกับว่าเราขึ้นเราเราเข้าไปตรงคามตรงคามเนี่ย เขาก็อยากมาฆ่าเราเราก็อยากฆ่าเขาเนี่ยวันนี้ต่างคนต่างเอากันนั่นแหละทางถอยไม่มีมีแต่บืนเข้าหากันสมมติเขาท้องคำเนี่ยไม่เขาไม่เราก็เขาตายอ่ะตายก็ช้างมันตายเราก็แล้วไปเอาไปเอามาไม่ก็หายไปเท่านั้นแหละเนี่ยเอาเอาขนาดนั่นแหละไม่ต้องกลัวอะไรเข้ามาก็ตาม อะไรพูดมันนี้ก็มาลงมาเสียงสุดๆเออขออย่าตีเพียงต่านี้เลยนะขอให้ทุกๆคนต้องตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เห็นความสว่างความสะอาดความสงบ ที่มีอยู่ในกิจใจของเรานี่ทุกทุกท่านทุกคนเติอนก็ให้ท่านพูเต็มที่อ่ะหนึ่งชั่วโมงเต็ม <c oughs> แล้วเป็นยังไงล่ะธรรมะอยู่ที่ไหนโอยเวลาจะลงว่ะโอ้ยนึกว่าจะลงขึ้นอีกแล้วอะไรไงี้ป่ะธรรมะอยู่ตรงนี้นอะตรงดีอาการเกิดมาแสดง ที่ท่านเราเป็นส่วนประกอบของท่านนะแต่ของเราคือที่ป็นกำลังปากรเลยนะทรไมะนะเอาแล้ววันนี้เนหะ็นว่าสมควรกีเวลานะกราบพระพร้อมกัน